จะพูดเรื่องปุปภณิมิตของการรู้ธรรมในความหมายของของธรรมะเนี่ยบางทีเราก็เข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจบางคนก็ให้ความหมายลึกบางคนก็ให้ความหมายตื้น คือมันแล้วแต่ว่าจิตเราอยู่ในภูมิไหนพบไหนแต่อยู่ในพบภูมิตึ้นตื้นมันก็จะรู้ธรรมะตึ้นตื้นแล้วก็ตีความหมายที่อยู่ตึ้นตื้นที่ความหมายของธรรมะเนี่ยทุกคนอให้ความหมายกันได้หมดเนะีแต่ให้ความหมายในวงจํากัดที่ตนเองมีความรู้และจิตมันล่อนรถเล่นอยู่แถวนั้น แต่พุทุธทำลึกๆเราก็จะให้ความหมายที่ลึกนะแต่ที่จะพูดเนี่ยก็ธรรมะอาจจะหมายถึงตื้นบางลึกบางแต่ความเป็นจริงธรรมะจริงๆเไม่มีลึกไม่มีตืนเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งแต่ที่มันลึกพเพราะอะไรเพราะมันมันถูกกิเลส ห, ห่อหุ้มหลายชั้น มันลวงไปไม่ค่อยถึงดังนั้นการที่เรามาปฏิบัติธรรมในส่วนหนึ่งจะพูดแบบมีอัตราตัวตนพูดแบบมีหลักมีเกณฑ์มีกำหนดมีบัญญัติมีสมมุติมันอาจจะพูดได้หลากหลาย นั้นตอนนี้ก็ให้ความหมายธรรมะเนี่ยหมายถึงธรรมะที่เป็นเรื่องของอริยสัจธรรมะที่เป็นฝ่ายดับทุกข์หรือภูมิธรรมนะภูมิธรรมเข้าใจนะครับว่าภูมิภูมิภูมิเนี่ยบางคนไม่ค่อยชัดเจนภูมิก็หมายถึงที่อยู่ภูมิธรรมก็คือ ชั้นระดับของจิตที่มันเป็นธรรมชาติฝ่ายดับทุกข์นับตั้งแต่มหาสตินี่แหละตั้งแต่สติสติสัมปญญะสติสัมปญญาคนเราก็เป็นอีกแบบหนึ่งสติทางธรรมเป็นอีกแบบหนึ่งคือสติที่ที่เป็นการรู้ธรรมเนี่ยมัน จะนับเนื่องตั้งแต่การที่เราสามารถมีสติมีความรู้สึกตัวกำหนดรู้กายเวทนาจิตธรรมพร้อมกันไปได้ในตัวถ้ามยังทำไม่ได้ก็ยังไม่ใช่ถึงแม้เราจะกำหนดรู้อยู่ก็ยังไม่เป็นให้คือขิดความสามารถยังไม่ถึงนะ มันปรากฏทางการทางธรรมหรือสภาวะธรรมว่ายังไม่ปรากฏเกิดขึ้นทีนี้มันจะปรากฏเกิดขึ้นได้มันก็ต้องมีปุปพานิมิตคือสิ่งที่มันจะเกิดก่อนหรือว่าเป็นเครื่องหมายให้เราได้รู้จักเนี่ยว่าคนคนนี้ยสามารถรู้ธรรมะหรื อ, อยังหรือมีขีดความสามารถที่จะรู้ธรรมะได้ไหม พูดยังไงคืออุปนิสัยมันมีไหมเฮ้ยเรียกว่าอุปนิสัยอุปะไปว่าเข้าไปใกล้อใกล้ที่จะรู้หรือย่างอุปนิสัยคนหลายๆคนบางทีมันไม่มีอุปนิสัยที่จะรู้ทำมีแต่นิสัยที่แบบโลกโลก โลกโลกหรือลวกล ก, ลกอันเดียวกันนะคือไม่มีความจริงจังจริงใจเท่าไหร่จิตมันพุนนไายอยู่กับโลกมากวันวันหนึ่งกับปลิวอยู่กับโลกในเบื้องต้นคนปฏิบัติธรรมเนี่ยคุณสมบัติที่ควรจะมีศัทธาศีลมีไหมมีัทธามีศีลมีหลิโตรตะมีพระหุสัจจะ มีสติมีปัญญา ม, มีสมาธิมีปัญญาในหลักสูตรท่านกล่าวไว้ว่ามีศรัทธาทนนก็หนึ่งนะมีศรัทธาอันนี้ดีมากๆนะหนึ่งศรัทธาสองเป็นคนไม่มีมารยาสาไถไม่เป็นคนอวดดื้อถือดี ไม่มีมารยาสาไทยหนึ่งมีศรัทธาสองไม่มีมารยาสาไทยคือไม่มีทิฏฐิมานะอะไรแหละสาไทยะคือไม่หลอกตัวเองนั่นเองสาเป็นคนเวทนาเบาบางอาภาษ์น้อยโรคประจําตัวน้อยน้อยหน่อยนะถ้ามีนีเยอะนี่ก็ลําบากมันแก้ไขยาก อย่างเป็นโรคดีสีดวงไงเดินจกกุกงโอ้ยากลาบากนะพระก็มาปรึกษาแต่มาลงตาผมผมคงจะเป็นโรคสีดวงมันเป็นยังไงโรคดีสีดวงวะมันจะออกแสงวะเขาคงจะเป็นแล้วแหล ะ, ละหไ้เป็นก็คือรักษาตามกฎระเบียบ ต้องปีนโรคไม่มากเท่าไหร่พอประมาณมีเวทนาเบาบางคือทุกคนไม่เป็นโรคไม่มีมันก็มีแต่ว่ามันต้องเบาบางหน่อยอย่าให้มันมากแล้วก็ประลความเพียรไปจากำหนดรู้อยู่เสมอไปในมานไหนประลความเพียรเห็นหนะอย่าง น, น้อยๆอยู่ด้วยกันเห็นโอ้ยสร้างจังหวะแล้วเดินจ ก, กลมแล้วขยันจังนะคนเนี้ย แล้วหนึ่งก็คือมีสติสติบางทีปรุกความเปลี่ยนจังนะแต่ไม่มีสติอยู่กับตัวกยกไปงันแล้วแต่ว่าสติมันไม่อยู่ทีนี้พอมีสติก็ต้องเขาไม่เน้นสมาธินะตรงนี้เขาเน้นปัญญาคือต้องมีปัญญาสามารถเห็นการเกิดทับ เอาละสิจะยากขึ้นเรื่อยเรยเห็นการเกิดดับในขันห้าหนักกว่ารูปนามนะอันเนี้พวกออกมาทันทีเนี่ยหมายถึงจิตพระอนาคามีไปเลยนะเนี่ยคือในตำราเนี่ยพระพุทธเจ้าในเวล า, วลาท่านจะพูดใกล้ๆคนนะ่ะ มีคนยังไม่รู้อันนี้ท่านจะพูดว่าให้รู้อันนี้แต่พอรู้อันนี้แล้วเทว่าไม่ใช่อันนี้ต้องอันนั้นจะขยับไปให้ขยับไ ป, บไปพอคนบรรลุธรรมขั้นสูงเป็นพระอนาคามีแล้วตั้งว่าอทยไมทำนี่มันยังไม่ดีนะมันกคยจอกอันนี้นะต้องสิ้นอาสาวะอะไรประมาณนั้นบางคนตอนนี้ผมกาหนดรู้ได้ดีจังนะต่อเนื่องเลยรู้สึกตัวทุวพร้อม ทุกลมหายใจเข้าเข้าตั้งทุกกินข้าวทุกคํารู้สึกได้ตลอดเคลื่อนไหวไปมารู้สึกตลอดมันรู้สึกตัวตัวพร้อมทนว่าต้องรู้สึกทุกลมหายใจอ่ะพระอุนึงโผล่มากําหนดรู้ได้ทุกลมหายใจเลยผมเน่ยโอ้ยเรากำหนดรู้มากปไปอันนั้นรู้เฉพาะที่มันคิดก็พอแล้วเนี่ยเนี่ยเอาไปเรื่อยๆเอยคือท่านจะให้รู้ทำอะ ตรงที่มันเป็นจริงๆนะขยับไปเรื่อยๆเรยๆเรืเร่อ น, นถามว่าเรามีไม่มีคุณสมบัติอันนี้ไหมมีศรัทธาไหมที่จะไประโรยเงียนศรัทธาองนเงีย น, คนแคลนไหมด้วยศรัทธาหัวเต่าเข้าๆออกๆผุบๆผุโผลเอาจริงบ้างไม่จริงบ้างฮึดขึ้นมาก็เอาไม่ฮึดก็เลิกวนะ่านั้นอย่างนี้ก็ยากอยู่นะ ต้องเป็นสัทธาที่ไม่โผล่โผล่โผคือไม่ท้อถอยอะเอาความตายเป็นตัววัดเนี่ยนี่อาจจะมีคุณสมบัติเนี่ยคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติธรรมนะทีนี้โดยย่ อ, อ ก, ก็คือขยันรู้สึกตัวขยันดูขยันสังเกตขยันระลึรกรู้เนี่ย เมื่อขยันแล้วมีอะไรอ่ะคุณธรรมที่ควรจะมีบางทีเขาบอกว่ารู้จักบางคนนะรู้จักสำรวมสำรวมเดินไปเดินมารู้จักจากสำรวมสำรวมตางูจมูกลิ้นกายสำรวมอินทรีย์แล้วก็มีการ และลึกรู้อยู่อย่างสมบูมรนอกจากสำรวมนะสำรวมตามหูจมูกนิ้นกายใจแล้วก็มีการกําหนดรู้บางคนสำรวมดีจังแนหะเราไปบางสํานักเนี่ยเขาจะสำรวมดีมากแต่ว่าการกําหนดรู้ไม่มีพรามกําหนดไม่มีเนี่ยมันจะเป็นทิฐินะมันชอบดูถูกดูหมิ่นคนอื่นจิตมันขึ้นมาแบบนั้นนะคือเห็นวันดีกว่าเขาอะไรประมาณเนี้ยจิต อันตาตัวตนนี้มันขึ้นมาทันดีสลายได้ก็น่นแหละนะใกล้รู้จกักรู้จักอาสวะระดับหนึ่งนั่นแหละมันถึงจะสลายไอ้ตัวอันตาตัวตนเนี่ยตั ว, ต ว, ต ว, ต ว, ตวสําคัญว่ารู้เนี่ยตัวสําคัญว่ากูก็เข้าใจไอ้นี่แต่เข้าใจแต่มันไม่เข้าใจในสิน่งที่มันเป็ น, นขนาดนั้นนันต้องมีนะ สัมบูรณ์ต้องให้มีอ่ะแล้วก็ต้องมีการกําหนดรู้กําหนดรู้เรื่อเฝ้าดูจิตอยู่เรื่อยเรื่อยเรื่อยเรืและลึกรู้อยู่ประจำเนี่ยการที่เราเฝ้าและลึกรู้อยู่กับสติสติและลึกรู้เนี่ยสแสดงว่าจิตเราพายู่ภายใต้การการควบคุมอยู่คือมันอยู่กับสติอยู่เนี่ยจิตเนี่ยมันไม่ได้ไปไหนถ้าเราลึกรู้อยู่อย่อยางเนี้ย มันยังไม่วิ่งไปไหนนะเน่พอ ร, รู้สึกตัวอยู่เห็นนะมันรู้สึกคิดไม่คิดเปลือกไม่เปลือแล้วก็เมื่อมีการกาหนดรู้เฝ้าดูอยู่อย่างนี้อบรมมาอยู่อย่างนี้อันไหนสลายได้อันไหนตัดได้อันไหนวางได้อันไหนเข้าใจแล้วเนี่ยเก็บรักษาไว้บางทีวางวันไดอารมณ์ พอได้อารมณ์ก็รักษาไว้อารมณ์เนี่ยจับไว้ประครองประครองสติไวและลึกรู้ไวตัวง่วงแก่ได้แล้วก็จําไว้ว่าแก่ได้ยังไงแต่อย่าคิดว่ามันจะเหมือนเดิมนะวันนี้สู้กับความง่วงได้แบบนี้พรุ่งนี้มันมาใหม่เพราะมันเล่เหลี่ยมมันเยอะมากนะวันนี้สู้กับความคิดอันนี้ได้แล้ววันพรุ่งนี้มันก็มาอีกเหลี่ยมหนึ่งธรรมะมันมีแปดเหลี่ยมซิกสองคมเนะ่ย แล้วแต่มันจะมาเหลี่ยมไหนดังนั้นการรู้ของคุณเนี่ยต้องเป็นสัพพัญยูสัพพัญยูรู้ทุกเรื่องที่มันปลอมเข้ามาสัพพัญยูเนี่ยรู้แจ้งนะสัพพะไปว่าทั้งปวงนะเป็นผู้มีความรู้รู้อารมณ์ทั้งปวงที่มันจะเข้ามาง่วงมาแบบไหนแล้ว มันจะตีลังกามาไหวมาแบบไหนรูน้ได้หมดนะความคิดก็เหมือนกันมันจะปลอมมาในรูปแบบความคิดตีความคิดชั่วความคิดธรรมะธรมูความคิดแบบไหนเนี่ยรู้เท่าทันเรเหลี่ยมมันมดอย่างเรียกว่าสัพพัญยูข้าพเจ้าเป็นสัพพัญยูนีนั่นท่านทั้งหลายต้องเป็นคือต้องให้เห็นให้รู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาให้เป็นแบบนั้น บางคนจะเสียถ้าไม่ขยันรู้มันทีก็รู้แล้วเมื่อวานในตัวง่วงแก้ไขได้แล้วสบายพรุ่งนี้กูพอวันต่อมาหมอบกระลอกเสร็จเสร็จกิเลสมันน่ะเพราะไเพราะว่ามันคือเขารู้น้อยรู้เฉพาะเรื่องนั้นน่ะมันปลอมมาตัวอื่นเนี่ยไม่รู้คือมันมันมาได้หลากหลายจังหวะมากน่ะ แต่ก่อนเธอเคยเห็นไหมโจรนนะมหาโจรเสือใบเนี่ยเสือขาวป้นปล้นทำไงหนวดและมีหมวกปืนเสียบเข้าไปตรงนี้มารู้แต่ที่าเป็นมหาโจรนะต้องมีหนวดนะมีเคราโจรมันต้องเป็นมนุษคนน่ากลัวเดินไปไหนมาไหนนี่เดี๋ยวนี้คนรู้แตนทีว่านี่คือาหาโจร น, นะนี่นี่พวกนี้ใครมาเดี๋ยวนี้คนไทยสวัสดีครับนี่เนะี่ย เธอรู้เท่าทันไม่กิเด็ดแบบเนี้กี่เด็ดสวัสดีครับเนี่นมยมันจะพาผู้เธอคิดดีก่อนคิดดีรู้สึกตรงก็ดีเนาะนี่เนี่ยนะอะไรไปรนะมาณนี้กลับไปนี่ไปชวนคนที่เรารักมาสร้างจังหวะดีไม่หนิมันนี่ยเนี่ยมันไม่ได้คิดโกรธคิดโลภคิดหลงอะไรนะแต่มันก็คิดดีดธรรมะของพุทธเจ้าแหมดีเหลือเกินนะนะสร้างจังหวะเดินจุ ก, กมุ่เนี่ยนะ รู้สึกตัวขึ้นมาโอ้มีคนมีค่าเหลือเกินเนี่ยถ้าให้คนนั้นได้มารู้คนนี้มาเห็นเอาละมันเริ่มไปแล้วเนี่ยกลับไปนี่กูจะไปตั้งสัมนักนะเนี่ยนะสวนมะม่วงกูกูจะเดินจุกรมปูกระเบื้องใหม่ด้านนั้นแล้วกูจะเดินจุกรมเจ็ดวันเนี่ยมามาอยู่นี่มันไม่ค่อยได้ปฏิบัติเต็มที่วะกลับไปนี่กูจะปฏิบัติเต็มที่ ทาความเปลี่ยนเต็มที่เลยแหละโอจะตื่นดึกกว่านี้อีกกว่าพระนี่อีกอืมคิดนะมันได้คิดธรรมะธรร ม, มรูทั้งแท้ๆนะมันไม่ได้ธรรมดานะอืมแต่สุดท้ายก็คือคิดไปคิดมาคิดไปจนค่้เห็นไหมมันหลอกเนี่ยอพอถึงตอนค่าแล้วก็ไม่ได้ทําไม่ได้ทํากลับไปกับมีการมีงานนะั่นะนะนี่ก็เลิกไปนะความคิดนะ่ะนะ เป็นความคิดในขณะที่ที่เราทำเนี่ยมันขัดขวางเราไม่ให้เราได้เข้าไปถึงทำ <Okay. S 1> มันคิดไปมดแหละเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างใจเราคิดบางทีเนี่ยบางคนเดินจู ก, กลงเป็นยังไงบ้างได้หกโครงการหกโครงการมีแต่โครงการนั่นโครงการนี้ถามว่าดีไม่ดี แต่คิดดีเนี่ยก็เป็นทุกข์นะดีดีก็หนักบุญก็หาบาปก็หามนะมันหนักใจหมดเลยอย่าเราคิดถึงพ่อถึงแม่เราเป็นทุกข์ไหมเป็นถามว่าคิดดีไหมก็คิดดีแนะ่แต่มันทุกข์เราเอา ง, งานเอาการเราขึ้นมาสะสางในทางจงกลมนะกลับไปนี้คนว่าอะไรกูจะอยู่ปัจจุบันนะ โต๊ะ ก, กูจะเขียนไว้หมดเลยสติสติสติเนีห้องน้ํากูก็ติดสติ๊กเกอร์ไว้สติรู้สึกตัวอะไรอย่างเงี้ยมันกระคิดไปอ่ะแต่ที่ไหนได้ลืมรู้สึกตัวมิตรคิดกับคิดคือมันปลอมมานั่นเองไงกิเลสมันปลอมมาปลอมมาในรูปการคิดถ้าคิดชั่วคิดโกรธคนนั่นเกลียดคนนี้เนี่ยเรารู้สึกมันอึดอัดมันรู้ไว ไฟเี่ยรู้เร็วแต่ไฟเย็นเนี่ยไม่รู้เราก็ทิ้งได้ไว้แต่ถ้าเรื่องแนี้ไม่ค่อยความหวังดีเนี่ยกูก็พอรู้ธรรมะแล้วนะแบบนี้สึกขาลาเพศออกไปไปทําอยู่ที่ทุ่งนานะเอาเมียมาสร้างจังหวะด้วยกันพาปฏิบัติสองคนบรรลุธรรมเมียทํากับข้าวเราเดินจงกรม เราเป็นอาจารย์สอนนะให้เมียทำกับข้าวสํานักเรารุ่งแน่ๆแข่งกับวงตาดูที่ใครดีใครอยู่เนะี่ยไม่ต้องแข่งหรอกยอมแพ้แล้วไม่ต้องแข่งก็ได้ยอมแพ้แต่มันจะคิดไปจิตเนี่ยคิดไปงี้ยก็เปิดก็เพลินไปมีคนหนึ่งนะั่วพึ่งศึกไปเนี่ยปฏิบัติธรรม สกสาะเพียไปไปเจออยู่ในห้างลวงตาไปเห็นเขามากราบนะอา้าวซึกแล้วเหรอหลวงตาถามครับนีถึกแล้วมาอะไรโอ้ยมาซื้อของเมียแล้วโอ้ยใส่หวัวเมียว่านเธอเป็นอะไรของเธอโอ้ยหลวงตาอะไรก็ไม่ถูกใจสักอย่างอา้า ทำไมไม่ถูกใจอยู่บ้านก็ว่างหลังโตเกินไปอยากไปอยู่ทุ่งนาก็เลยมาซื้อของวัสดุก่อสร้างจะ อ, อไปทําเถียงนาแล้วจะไปอยู่คนเดียวอยู่ในหมู่บ้านกระําคานคนเสียงเปิดเสียงคล้องเสียงกองดังจะไปทํามาซื้อเอาสีเสาวัสดุ ก, ก็ยังไม่ถูกใจอยู่นี่ในห้างเนี่ยยังได้แพงกว่านั้นดีอยากได้ไปดีกว่านั้นออกไปี่จะไปทําแล้วไปอยู่คนเดียวหนูก็ขี้เกียจเดินตามอยู่ในห้อ แต่ก็ใส่กางเกง ข, ขาดๆแล้วก็รองเท้าเดาเทียมเหมือนเดิมนะยังเหมือนเดิมอยู่เลยเนะี่เดินไปเอาตังใจนะว่ะเอาคุยกับเขาอย่าไปเอาอะไรมากเลยเอาน้นอยนี่แหละเอาเน้นน้อย <c oughs> พากันไปเดินจูกลมอยู่โน่นแหละหนูว่าจะไม่ไปนะเดินอยู่บ้านนะกัวมันแะย่งสํานักกันเลยเนะ <c oughs> มียจะเดินอยู่บ้าน ป่าก็จะไปเดินอยู่โน่นเนี่ยทำที่ตรงนาตีนเขาน่นเนี่ดีแล้ดีแล้วแล้วเหมาะสมเหมาะสมบ่ะเอาเลยนะแต่จะไม่ได้ของเลยไอ้ น, นั่นอันนี้นะคงได้อารมณ์ตั้งแต่อยู่วัดพาฉาปูนนั่นฉาปูนนี่ก็เลยโอ้อนึกได้ออกไปจะสร้างนะอะไรีวกนจิตมันพาไปว่าลงตาผมทำลองตัวทำดูก่อนนะอ ถ้ามันไม่เรื่องผมจะกลับเข้าไปเหมือนเดิมเลยอย่ามานะว่าะจะกลับมาโอ้ยอ ย, อย่ากลับมาเลยวะกลับมาหลักสูตรก่อนหนักกว่าเดิมนะเลยคือมันหลอกไปอ่ะหลอกายหลอกไ ป, กไปนะพอหลอกไปอยูอย่แล้วก็เกิดเสียดายไวย่ผมไม่รู้ความสึกมาได้ยังไงนะเนี่ยนะพอสึกมาแล้วรู้จตไม่รู้วาผมสึกมาได้ยังไงเนี่ยนะยังนงึนึกอยู่เลยเนี่ย เดินจูงกลมก็คืออ้าวเสียดายถ้ากูเดินจูงกลมนี้กูทําไมกูไม่เดินอยู่ในผ้าเหลืองวะอะไรประมาณนั้นเห็นไหมมันหลอกเนีอืมมันก็จะหลอกไปหลอกมาอะไรอย่างนี้เขเรียกว่าเอามันออกไปแล้วสู้สู้สู้ตายสู้ตายเขาเลยว่าสู้มันก็ตายจริงๆแล้วสู้ตายในตายจริงๆเราไม่ได้อะไรดูแล้วเราทําไงได้อะสมัยโน่นบอกให้รู้สึกตัว มันก็ไม่รู้สึกนะ่ะมีแต่นั่งหลับนั่งหลับอยู่เรื่อยๆก็เลยไม่ได้อะไระนั่นต้องเป็นเป็นผู้รู้ตลอดรู้เท่าทันที่เด็ดที่มันจะเกิดเนี่ยนอกจากสำรวมแล้วก็กำหนดรู้ บางคนกำหนดรู้อยู่แต่ไม่ค่อยสํารวมเพราะไม่สํารวมมันหลุดออกมันไปกับตากับหูกับจุงเพราะจิตแล้วมันมีอาสวะเก่าๆที่คอยรอรับมันเชื้อมันมีมันก็หลุดไปทีนี้ก็มาเรีลึกรู้อันนี้ให้มันต่อเนื่องสติสัมปชัญญะเราพอเรีลึกต่อเนื่องได้ปุ๊บก็ต้องมีการรักษารักษาอารมณ์ รักษาอารมณ์อารมณ์ที่ได้มาพยายามรักษาสติได้มาแล้วก็รักษาอย่าไปพูดอย่าไปคุยกับคนโน้นคนนี้รักษาให้มันอยู่ตัวโอสมาธิมีแล้วก็รักษาให้มันต่อเนื่องอความคิดปล่อยว่างแล้วได้แล้วก็พยายามรู้พยายาเห็นจะเป็นคนประมาทนะถ้าประมาทขาดสติก็หลุดไปเลยนะขณะที่เรากําลังเดินทางเนี่ย ท่านบอจะให้ทำเป็นเหมือนคนป่วยทำเหมือนคนป่วยไข้เนะ่ค่อยๆเดินค่อยๆไปการไปการมาเนี่ยเรียบร้อยนะสติเราเนี่ยคือคนมีสติมันจะอ่อนกว่ามันเองอะ่ะนะมันอ่อนแต่ก่อนมันมีอัตราเนาะมันตัวตนนิวาโตเป็นผู้ เอาลมออกแล้วนิวาตะเอาลมออกไม่มีลมแล้วมันพองลมแต่ก่อนมันพองลมมันยิงยะโสห่างมันอันตร์ตาตุนตนนมาเยอะแต่พอนี้มันลมมันออกแล้วมันไม่มีอะไรมันก็แฟบอย่างไงนั่นก็รักษาอารมณ์ที่ทําได้โอ้เป็นอย่างนี้นาะประคองเดินไปในมันไม่ใช่มันหมดนะโอ้ยหมดอารมณ์แล้วคำว่าหมดอารมณ์แล้วคนเขาเรียกว่ากรรมฐานแตกเคยได้อารมณ์มาดีดีลุต หลุดจับได้แต่หลุดจับปัจจุบันธรรมจับได้มันก็หายไปไปถามครูบาวันนี้จับตัวรู้ได้หรือรยั ง, งถามตัวรู้ยังไงหรถามมาตัวรู้ยังไงมันจะมีหนวดหรอกว่าตัวรู้นี่ว่ามีเขา มีเท้ามีเขี้ยวมีเล็บเหมือนกับมังกรนี่แหละตัวรู้นี่แั้นตัวรู้ก็รู้นี่แหละรู้สึกตัวเนี่ยไม่เข้าใจเลยรู้สึกเนี่ยจากควรู้สึกตัวบางคนก็หนักนะอย่างรล้พ่อกลมท่านบอกว่าสิบสามดเดือนจึงจับตัวรู้ได้รู้รูปนามเนี่ใช้เวลาสิบสามเดือนมันจะนานเท่าไหร่ก็ช่างเถอะนะ ทำไปตื้ระลึกรู้อยู่ไดีๆนะพอได้ปุ๊บอะรักษาอารมณ์มันหลุดก็อย่าให้มันหลุดมากเวลาเราไปทําการทํางานก็พยายามสังเกตอยู่ในดีระ ล, ลึกรู้อยู่บ่อยๆมันหลุดไปต้องระลึกไว้สารวมไว้อย่าให้มันหลุดโลกไปเลยนะบางคนทําดีมาตลอดอยู่ๆไปหากินเหล้าเมายาเนี่ยกินเบียรกินเบือไปเนี้ยนะ เข้าขับเข้าบาเฮอะไรกับเขาเนี่ยสนุกสนานเพลิดเพลินหลุดนะเนี่ยหลุดโลกนะอะไรที่มันไม่เหมาะสมเลิกเลิกเลิกนะเหลือแต่ภาวะที่เราสัมผัสได้เห็นได้เข้าใจได้ประคองมาเรื่อยเรื่อยเเมันจะมีวันหนึ่งอ่ะที่มันเกิดการรวมกันเข้ารวมเขามากขึ้นมากขึ้นข่ะ หลวงพ่อเทรท่านใช้คำว่าจตุตฌานท่านบอกว่าเป็นฌานรวบรวมมันมีศรัทธาปิยสติสมาที่เป็นสีนึงอะไรต้งบอมันรวมกันเข้าเป็นหนึ่งเดียวแล้วมันก็พวกประหารกิเลสที่เรามีนะความโลภหรือหรือความโกรธจังหวะนั้นที่มันโผล่ข้ามาเนี่ยมันชนกันแล้วเกิดการรู้แจ้งกันทันืี นั้นทำสข้อนีควรตั้งเอาไว้ในใจหนึ่งสํารวมสองกำหนดรู้ 3. รักษาอารมณ์เอาไว้ 4. ทําลายการทําลายกิเลสเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อทีแรกก็คือตัดความคิดทิ้งเฉยเเนะี่ยอันนี้แต่มันยังไม่เรียกว่าการทําลายยังไม่เกิดปัญญายานไม่เกิดขึ้นด้วยญาณวิปัสนา แตสลัดได้ความคิดทีละเล็กละน้อยและเล็ ก, ล ะ, ล, ะ ล, กละน้อยไปนะหลักการของพระพุทธเจ้านะนักรบที่ดีเนี่ยที่จะมีสัญญาณต่อการเห็นทำรู้ทําได้หนึ่งก็อาวุธดียิงได้ไกลยิงได้ไกลนะยิงได้ตั้งแต่ไกลยังความคิดมันโผล่ขึ้นมาแต่ตั้งไกลก็เห็นมันก่อนนะยิงได้ไกลแล้วยิงได้ไว บางคนคือสติมีอยู่แต่มันฝืดๆนะไม่ค่อยทันยิงได้ไวด้วยนะสามสามารถทำลายเป้าใหญ่ได้ดูดิทำลายเป้าใหญ่เป้าใหญ่ก็คือที่กำเนิดของความคิดแหะบ่อกเกิดของอวิชชาอาสะวะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราสามารถทำลายตัวนั้นได้ไหมเห็นมันเกิดดับแบบแจ่มแจ้งขึ้นมาได้ไหมตรงนั้นเน่ ถ้าไม่เห็นตรงนั้นมันก็ได้แต่เป้าน้อยยิงอันเล่นน้อยนี่หลักการขาองทหารปืนใหญ่ด้วยนะนะฮยิงได้ไกล ย, ยิงได้ไวยิงได้แม่นทําลายเป้าใหญ่ได้ถ้าได้แม่นอยู่แต่ถูกแต่เรื่องความคิดเล่น้อยข้อลอกแค่แรกกระจอกกระแจกเนี่ยมันมันไมน่มันดับไม่ได้อะนะฮตัวง่วงก็ยิงได้หางแถวมาหลอกเนี้ย มันไม่ถูกเง่าสักทีถูกต้นขั้วมันสักทีอะ่ะมันก็ไม่ออกทีนี้จะทํางานนั้นได้เนี่ยสติสัมปชัญญะคุณต้องเต็มที่ต้องรู้ตัวต่อเนื่องมีคุณภาพมากๆนะรู้ตัวทั่วพร้อมนะเก็บได้หมดนะสติสัมปชัญญะเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ได้ เรากำหนดรู้ได้ต่อเนื่องสติเรามีการกำหนดรู้ก็ทำได้นะการทิ้งความคิดเก่าเป็นไวเชไหนเลยมันจะไม่รู้เวลาเราทำได้สังเกตตัวนิวรเนี่ยมันจะลดลงลดลงลดลงอคนสร้างจาังหวะเดินจกกูงกลมใหม่ๆเราจะเห็นหรอกขยันมีความขยันน่ะคนนี้ขยันทำไปตอนไห น, นโอ้เขาก็ขยันนะ ขยันทำความเพียรขยันระลึกรู้ขยันในการที่จะอยู่กับปัจจุบันเขาไม่จนมุมให้กียรติเนี่ยเขาเรียกว่าคนขยันขยันอาจจะแปลว่าขายันก็ได้ยันตลอดเวลานะสู้นะถ้าเราเห็นคนไหนขยันอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยเนี่ย มันบ่งบอกนะว่าคนนี้จะรู้นะเนี่ยก็เหลือแต่ ว, ว่าสติเป็นยังไงจเนีเพราะว่าเขาขยันแล้วเมื่อก่อนบางคนอาจจะไม่ขยันต้องบอกให้ขยันแต่คนขยันแล้วก็เหลือแต่สติสติต่อเนื่องปุ๊บเออมันก็จะเหลือแต่การดูอ่ะบางทีสติโตต่อเนื่องเขาก็จะเห็นอารมณ์ได้ทันีแต่บางคนก็มันจะอยู่กับความสงบก็ต้องชีแนะเห็นอันนั้นไหมเห็นอันนี้ไหม เห right? ็นกิเลสไหมเห็นตัณหาไหมเห็นอุปาทานไหมเห็นกรรมไหมคือต้องดูอ่ะมันเกิดเนี่ยแล้วมันจิตมันจะละเอียดลงละเอียดลงละเอียดลงคือมันต้องใส่ใจของวันเนี่ยการรู้การเห็นก็จะปรากฏชัดขึ้นความเพียรก็ขยันขึ้น ทีนี้เวลาคนได้อารมณ์เนี่ยเขาไม่หนีจากทางจงกรมหรอกไม่ไปไหนหรอกเดินอยู่นั่นแหละเช้าก็เดินจะรีบพอกินข้าวเสร็จพวกไปแล้วนะเป็นคนรักการรักงานงานทางธรรมเนี่ยรักรตาเดินไปดูเนะโยมผู้ชายคนหนึ่งกินข้าวไปแล้ว ไปก่อนเพื่อนแล้วยังไม่ตีละครเราเลาะไปดูดูว่าใครจะไวกว่าใครคนไหนมีมีความเพียรมีความใสใจที่จะทําบันนี้จริงจั ง, จ ง, จ ง, จงนะไปเดินเลาะดูก่อนบอกโยมวตีละครให้หน่อยนะไปเดินดูโอ้คนนี้ไวเนาะคนนี้สักผ้าไปจําทุกวันมันก็ไปจําทุกวันของมันนั่นแหละนะเป็นกิจวัตรไปจํามันนะก็จะคือ พอถึงเวลาบอกกัซักคือจิตมันคิดอยู่แต่แบบนั้นนะมันไม่เคยที่คิดว่าตายกูสักผ้าไปจําเนี่ยมันได้สติแล้ลองดูที่วันนี้ฝืนดูทีมันไม่เคยคิดแบบนั้นไม่เคยคิดแบบกลับมุมนะมันก็ได้แบบเดิมเดินไปดูอ้าวเหมือนเดิมนะถามว่าสักผ้าเสร็จหรือ ย, ยังทำนะโอ้ยไม่ไ ม, ไม่ลงตาวันนี้ยิ่งหลายตัว <c oughs> โง่อยู่นั่นแหละคิดในใจนะ ไ, ได้ว่าอะไรหรอ ซักไปไปหายืมของคนอื่นมาสักให้เขาหน่อยดีหลวงตาก็อยากฝากเหมือนกันแหละกรนะหูดไม่ได้หรอกอ น, นี่ก็เยอะแล้วหรือว่านั้นนะจิตนะมันก็จะลากไปแบบนั้นแหละแต่าบางคนนี่ขยันอย่างที่ว่านะเอาใจใส่มากทําอะไรแล้วรีบไปทําอะไรแล้วรีบไปแต่าบางคนรีบไปตั้งอกตั้งใจมากหลวงตางก็ไปดึงมาพอดี เอามัรีบเกินไปลงไม่ให้มันทำบันดี่ไปทำอย่างอื่นเนะี่ยไปทำอย่างอื่นคือบางทีมันก็หลบอยู่ในนั้นหลบอยู่ในความรีบความอยากเนี่ยไม่อยากรู้อยากเห็นบ้านเมืองอะไรเขาเขาเลยไม่อยากทำน่นทำนี่อะไรเปลี่ยนแปลงดูดิบางทีจิตมันกระชากกับหลังเนี่ยมันตื่นตัวได้นันดีนะคือเรื่แต่จังหวะมันเนะี่ยมันเป็นจังหวะของมันนะแต่บางคนนี่ยังไงก็ได้เนี่ยแสดงว่าจิตเขาดียังไงก็ได้ ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัวยวช้าอะไรได้ทั้งนั้นบางคนเนะี่ยเดินไปใกล้ๆเนี่ยจะอ่อนน้อมเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตัวพูดก็ยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตาก็เริ่มแจ่มใสเบิกบานมันบ่งบอกถึงภาวะว่าสติมันเริ่มซึมเข้าไปมันเหมือนกับคนกินยาแล้วเริ่มหายเป็นโรคนะ ดูอาการมันจะเริ่มนะคนหายเป็นโรครู้จักมันเป็นยังไงแต่เก่ามันเกลวขี้กาบประจำถ้าส ก, กินเดียวเข้าไปเนะซีมาโรชันอะไรก็เนี่ยพอาเข้าไปแ้เริ่มไม่คันเท่าไหร่อะหน้าผิวมันก็ดีขึ้นอันนี้เหมือนกั น, นดูหน้าดูตาดูสีหน้าตาทางอาเริ่มสดใสขึ้นนะเนี่ยเป็นไงบ้างห้อยไม่ได้อะไรเลยครับเนี่ยมันไม่ได้อะไรเลยครับนะี่ยเอาก็ดีดีไม่ได้อะไร เขาบอกโอ้มาที่นี่เขาไม่ให้ได้อะไรหรอกเขาให้ทิ้งผมก็อยากเป็นเพืบอเพือว่ววาบ้าเหมือนเขานะเพื่อวาบอะไรมันจะมีอะไรมาวพื่อมาว่าอย่าๆนี่นะวอารมณ์อารมณ์ที่เป็นนะีอารมณ์เนี่ยอยากได้อารมณ์เธอจะได้อารมณ์อะไระมาหาอารมณ์แบบจะมีอารมณ์อะไรไดนะ้นี่อ้ามันอารมณ์ธรรมะนี่แหละเขาว่านะอารมณ์ธรรมะอันนี้แหละอันที่เธอเป็นอยู่นี่แหละรู้สึกตัวนี่แหละ ว่าใรู้สึกตัวนี่ผมทาไปแล้วผมไม่อยากได้มันไม่อยากได้อีกแหละอารมณ์มันเนี่ยอยากได้อย่างอื่นนะแต่เราดูเขาแล้วโอ้ยเขาเป็นคนน้อมน้อมเนาะเป็นคนดีเนาะเนี่ยมันดีใจมันว่างๆนะมันยิ้มแย้มแจ่มใสมันไม่เคร่งไม่เขียดนะอลองรู้สึกตัวเล่เลนๆดูทีทำอย่างนี้ดูสิทำอย่างนั้นดูสิแล้วจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ไงทำอ้า เดี๋ยวมันก็ทําถ้าไม่อลยมันก็ไม่นานนะตัณหามันน้อยความคิดมันน้อยจิตมันว่างๆนะจิตมันว่างๆถ้ามันว่างๆในทิ้งอะไรใส่ก็ได้แต่ท่านตัวตนมันบางคนนี่ไม่สนเลยนะ <c oughs> ไ, มไม่แลเลยแหละไม่ไม่ดูใครกูจะรู้สึกตัวให้ต่อเนื่งองยังยง <c oughs> มันก็ได้อยู่หรอแต่มันก็ได้นั่นแหละได้ก็ได้นั่นแหละแต่ใจมันไม่กว้างพอนะใจไม่กวางพอสติปัญญามันไม่ให้ใจมันไม่กว้างพอมันไม่เกิดนะมันเหมือนนะแต่ว่ามันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างธรรมชาติอันนี้จึงจะเกิดนะคุณเห็นไหมเขาปลูกทุเรียนเนี่ยทําไมมันจึงเกิดได้เฉพาะภาคตะวันออกแถวจันทบุรีตราด ยอยนะปลูตร้อยเอ็ดทาไมไม่ขึ้นนะ่ะดินเหมือนกันนะแต่มันไม่เหมือนกันนะบรรยากาศมันไม่เหมือนกันบรรยากาศเนี่ยเอามาปลูกที่เมืองนอนทําไมมันเป็นก้านยาวทะลุไปแบบนั้นซะหนะทีนี้ทุเรียนนั่นเอามาปลูกที่อุตรดิตถ์ทำไมเป็นทุเรียนแบบนั้นนะ่ะทุเรียนแะขนะ หมอนทองหรืออะไรนะชนีข้างบางอะไรเนี่ยทำไมมันเป็นแบบนั้นน่ะเชียงใหม่เนี่ยยังไม่ได้ปลูกนะถ้าปลูกเนี่ยอาจจะก็ไม่รู้นะเขาไม่ได้ยอมปลูกไงตามช่องเขาเนี่ยน่าจะได้แต่ว่ามันไม่หนาวป่านนี้ทางโน้นนะ่ะมันต้องมีเคล็ดลับอะไรสักอย่างหนึ่งทีน่น้อยในนั่น หลวงตาเคยเล่าให้คนฟังนะเคยอ่านเซนมาคนรู้สึกตัว น, น้อยไม่มากเท่าไหร่ขยันทำแต่ว่าจิตเนี่ยมีความฝักไฝ่ในธรรมอยู่เสมอเข้าไปถามปัญหาอาจารย์ผมปฏิบัติมานานผมกูยังไม่รู้เลยธรรมะเป็นยังไงไอาจารย์ถีบ ป, ประตูใส่หน้ากระแทกหน้าายหลังพวกรู้แจ้ง ดูที่มันง่ายนะบางคนทำบาปทำกรรมมาเยอะอาจารย์ว่าแล้วก็ทุกข์มากมันทำบาปทำกรรมมามากไงชีวิตฆ่าคนก็เยอะแล้วนี่ <c oughs> อาจารย์ว่าเธอนะ่ะทาบาปทากรรมมามากเราไม่มีโอกาสได้เห็นทาอยากเห็นไหมเธอไม่คิดเหรอนรกสวรรค์มันมีจริงในชีวิตเนี่ยฉันอยากจะให้เธอปฏิบัติทำทากรรมฐาน เธอจะรู้จักว่านรกสวรรค์นเนี่ยมันมีจริงๆอ่ะเธอจะมัวทํำบาปทำกรรมอยู่นั่นแหละก็ทําจริงๆเลยอาจารย์จริ ง, รงผมคงไม่มีบุญมันไม่เกี่ยวกับบุญนะเนี่เธอทําไปเถอะแล้วก็ทำนะปฏิบัติสร้างจังหวะเดินจงคมแหละพระพระสามุไรนเนี่ยเป็นนักดา บ, ดาบทำสองปียังไม่เห็นธรรมะ ไม่หายอาจารย์อาจารย์มันมีพูดเล่นแล้วทีนี้ไหนว่าปฏิบัติทำแล้วจะเห็นนรกสบันทำมาป่านี้คือยังไม่เห็นเนี่ยมือมันกำสมุไรยอยู่นะอาจารย์ก็ยังนั่งสร้างจังหวะไม่ดูหน้าดูหลังดีในสร้างจังหวะแต่ถ้าหลับตาแล้วมันชั่วเล ย, ยุ่งเลยนะสร้างจังหวะก็ลืมตาดูอยู่ อาจารย์บอกว่าเอาไม่เห็นเลยไม่เห็นโกหกใช่ไหมเสียเวลาเท่าไหร่เนี่ยนั่งลงนั่งลงไม่นั่งโอ้โหไอ้นี่ถ้าอยู่เดี๋ยวนี่จะให้กุูบาจ๋ะตับสลบ ก, นะก็เลยอาจารย์ก็ลุกขึ้นเนี่ยจับไม้เท้าเนี่ยลุกขึ้นก็ฟาดก็หูเนี่ นักดาบซา ม, มูไรนะอาจารย์ก็เจ็ดสิบแล้วนะ <Okay. S 1> ไอ้นั่นมันสี่สิบปีเองนะวาดใส่ยิ่งวุ่แตกเลยวอว่าบว้าววาโอ้หอหอกูถามดีๆท่านออกค้อนฟาดหูคุณนะรู้ไหมเลือดขึ้นหน้าแล้วตายเป็นตายแล้ะอาจารย์นีนะ่ชักซา ม, มูไยออกมา ไปนระกเสถมึงอะไรนะเนี่จะฟาดอาจารย์เน่เน่น่เน่เนะว่านะั่นนรกเกิดแล้วไงนะั่นบอกนรกเกิดแล้วไงเน่ะคือมันโกรธเต็มที่เนะ่ะขึ้นเต็มที่จะฟาดอาจารย์แนะบอยังเมื่อกี้ก็ยังพูดเลยว่านะันไปนรกเสถมึงนะนะนรกเกิดแล้วไงเนี่ยเห็นไหมเนะี่ะความโกรธเกิดขึ้นโทสะเกิดขึ้นนั่นคือไฟนรกดูเข้าไปในใจดิแกก็ดูเข้ามาไใน คือสมาธิเขาฝึกมานานเน่ะมันฝึกมาเยอะกลับมาดูใจมองเขามางเนยสว่างวางแจ้งเลยจานสวรรค์ น, นิพพานก็อยู่นี่แหละสว่างจา้ลงกราบทันทีเลยเขาบรรลุธรรมนน่สมัยก่อนพวกนักเลงมันจะเอาจริงเอาจังอะ่ะเมันเข็งมันตึงมันไม่ผ่อนคลายไงแต่พอผ่อนคลายเล่นเล่นหัวมันจะปิ้งได้ของพวกเธอนะมันผ่อนคลายเกินไป ม, ม, มันไม่จริงมันก็เลยไม่เกิดนะบางคนถือค้อนด้วยเดินจุกลมไปกับฟาดต้นนั่นฟาดต้นนี้ใบนั่นใบนี้อ้อมเม็ดต้นกล้วยเขาอะบางคนยังไม่ได้อารมณ์อีกจับต้นกล้วยมาแทงเขา่าแทงเขา่ามันเซ็งเป็นบ้าชีวิตมันเนี่ยเวลามันจะมีสัญญาณการรู้ทําได้แล้วแบบเนี้ยชีวิตมันยากนะแต่บางคนไม่เห็นเอาหัวมุด ม, มุดันต้นกล้วยไปกระมิไง โง่จังชีวิตคุณมันไม่เป็นให้ออทุกคนมาที่นี่อน้องตาว่าตั้งใจบางที่ไม่อยากรู้ทำเลยมันโพดขึ้นมาที่จริงเราก็รู้อยู่หรอกนะเราก็แกล้งทำตั้งใจหน่อยดีมาเนี่มันไม่ได้อยากรู้ทำมากเลยเธอนี้นิสัยแบบนี้นะเอา้าไม่รู้อยากรู้ทำรู้จะมาเลยเมื่อวานนะที่มานี่เพราะอยากรู้ทำนะมาอยู่แต่มันมาไม่เป็นนเะออยไง ไม่อยากรู้ไม่มานะ่นนี่ยเสียไม่ปําเวลาเท่าไหร่เราก็รีบเดินหนีเพราะอันตรายดูรู้มันอารมณ์มันเกิดแล้วมันอยากรู้ดำมากแต่ว่ามันไม่ทิ้งตัวโทรศัมันเอาซะเลยมันก็อยากรู้อยู่แต่ว่าแต่มันไม่ได้ไงรีบหนีไปให้ไกลคนเนาะมันคิดดูเนี่ยโอ้มันเป็นอย่างนี้นะชีวิตเนี่ยอือย่างบางคนไม่สนใจ เวลาเดินไปหาเนี่ยบางทีเขากลัวกลัวจะถามกลัวจะถามนี่เขาก็ไม่ใส่ใจเลยเป็นยังไงโยมไม่สน <c ười> กลัวสติหลุดนะนะเจ้ยไม่พูดเลยนะก็เลยถามว่ากลัวสติหลุดใช่ไหมเฉยเหมือนเดิมมองตาโรตาไปแล้วน ะ, ะมองตามงมองดูนิดหน่อยเฉย โลตาไม่พูดด้วยนะโลถักไฟนะก็คืออยากให้มันอื้อน่ยนะมันไม่อื้อจะเอ้ามันไม่ว่ากูก็ไม่ว่าแหนะก็เลยว่าชาแนลขอให้หูหนวกนะเอ้าเมื่อสาบแช่งทําไมเนี่ยมันเอามันพูดเป็นแล้วมันกลัวเหมือเกันนะกลัวนั่นไม่ได้สาบช่าแนลให้หูหนวกนะพระกรรมฐานพูดด้วยก็ยังไม่พูดอะไรกันเราก็เลยโอ้คนเนาะคนเนาะคนเนาะ ลืมลืมควมเป็นคนก็เลยพยายามที่จะบอว่ารู้สึกตัวให้ต่อเนื่องก็ต่อนนเนื่องจริงจริงเนี่ะเนื่องจนกระทั้งว่านี่เป็นยังไงแตะมันเคร่งเครียดเกินไปอ่ะเ ค, อเครียดกับางคนปวดหัวบางคนก็ขี้เกียจลุกนะั่นตื่นตอนเจ้าก็ขี้เกียจลุกส่วนมากพวกมาปักใต้หลายหลายรายนั้น <c oughs> พูดกับโยมลินอยู่เพราะมาแต่ปักใต้เนี่ยส่วนมากมันจะทําเป็นปวดหัวตลอดตอนเช้านี่ลวงตามเมื่อเช้าก็ขี้เกียจมาตื่นขึ้นตีสามเดินเจ้ากรมเดินไปแ้ากูปวดหัวซะบ่หว่ะปวดหัวไม่ไปเทศท่านี่คิดในใจนะปวดหัวนะมันมนน่าปวดหัวนะบรรยากาศแถวๆนี้เนะอืยคือมันน่านอนอีกนะนะน่าสบายน่าอะไรประมาณนี้งั้น ถ้าเป็นอย่างนี้ไม่มีไม่ใช่สัญญาณที่จะทำไม่รู้ถามมันต้องตื่นตัวตั้งอกตั้งใจถ้าเป็นคนเปิดเผยนะเปิดเผยตัวเองเปิดเผยยังไงก็คือไม่ไปหลบหลบซ่อนซ่อ น, อนลี้ลี้ลแหละเนาะตั้งใจอะตั้งใจทําำปฏิบัติด้วยความตั้งใจไปตอนไหนก็ยันดีเดิมนะ่ะตั้งใจเลยยังกระหนูขุดจนเป็นรูบางทีทางเดินโยกมือก็นะ แต่บางคนยังไม่มีทางเดินจุกงเลยเท้ากูยังสะอาดสะอ้านอยู่เลยดูเนี่ยเดี๋ยวจะส่งไปเดินแคดวอล์กนะเพราะเท้าสะอาดมากมันต้องสู้อัเ น, นี้ยสู้ตายอันดําความเพียรเนี่ยต้องสังเกตสู้เพื่ออะไรสู้เพื่อให้เห็นทำแหละทำคือธรรมชาติอันเนี้ย ถ้ากำหนดรู้อยู่บ่อยๆบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าสติมันจะเริ่มต่อเนื่องเราจะเริ่มเห็นธรรมเนี่ยปรากฏการนั่นก็คือในต้นก็คือหนึ่งขยันสองความม่วงเรื่มจางก็มีนะบางทีความม่วงเริ่มจ้างออกจางออกจา้ออกจาอาแล้วพุ๊ดไปเลยวิธีที่สองก็คือง่วงเอาเป็นเอาตายง่วงจนจะฟุบง่วงจนจะล้ม แต่อยู่ๆก็ทะลุออกไปเลยสว่างขึ้นมานะตื่นตัวขึ้นมานะถ้าประคองได้มันจะรู้รูปนามนะมันจะเกิดการสําลอกอดีตได้หลังจากนั้นกนะันสติสัมปชัญญะญที่เราฝึกฝนนะเวลามันทำงานถึงจุดหนึ่งมันก็จะทำงานของมันนะนะแต่ทำแบบโง่งๆหน่อย คนไหนที่ฟังมาเยอะแล้วรู้มากเนี่ยมันจะไม่ค่อยเป็นน่ะไอ้อนันก่อันนี้ก็พอเข้าใจอันนี้ก็ทำได้มันจะไม่เป็นนะต้องคุณต้องทำแบบโง่โง่โง่งแบบไม่รู้อะไรรู้สึกตัวนี่ประคองนี่เอาสติกับความรู้สึกตัวนี่สติแบบรู้สึกตัวยอยู่กับจิตอยู่ บ, บ่อยๆประคองคือเปลี่ยนเปลี่ยนเจ้านายของจิตให้ได้แต่ก่อนกิเลสมันอยู่ข้างในเน่นะ มันจะไล่ตัวนั้นออกแล้วเอาตัวสติเข้าไปอยู่แทนประคองไปอะ่ะแล้วจิตมันก็จะตื่นหรอก ะ, ะมันจะมีจังหวะหนึ่งที่มันตื่นตื่นแบบมันไม่เหมือนตื่นนอนอะ่ะแล้วตื่นแบบไม่เหมือนตื่นตกใจแต่ตื่นแล้วก็จะเบิกบานเข้าใจไหมเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเข้าใจไหมตื่นเบิกบานเป็นยังไงด้วยเข้าใจไหมมันเบิกบานมันตื่นมาแล้วมันเบิกบานเนี่ยเข้าใจไหมอือ จิตมันเบิกบานเจิมใสใหม่ๆอ่ะมันเป็นสัญญาณของการรู้ทาแบบหนึ่งเป็นปุพพานิมิตแบบหนึ่งเป็นเครื่องหมายที่เราจะรู้ทำเนี่ยคือสติจิตมันจะตื่นตัวนะตื่นตัวขึ้นมาแล้วก็จะสดใสเดินไปเดินมานะแล้วก็จะประคองมันได้ในต่อเนื่องโยมโย ม, ยมแก่ๆที่เพิ่งกลับไปวันนี้แกก็ แค่ฝึกสัมมถนะฝึกย่องดูความคิดผู้หญิงนะมาได้ปีในปีปีที่สิบสองนะเนะพิ่งมาเข้าใจนี่นะแล้วทำได้ตอนตอนใส้สายก่อนจะเพนเนี่ยแต่เขาต้องไปนะเซ็นสัญญาเรื่องที่ดินเขาที่เมืองการต้องรีบไปแต่เขามาอยู่สามวันแต่เขาตั้งใจมากเผอิญว่าทุนเก่าเขาเยอะ ทุนทางอารมณ์น่ะสมรถะเขาฝึกมาค่อนข้างคือพอดูรู้ทันทีว่าโยมสมาธิเยอะจังอะ่ะถ้าเขาคือดูแววตาดูหน้าตาดูท่าทางเ็าเขาฝึกมามากแต่เขาก็สงสัยอยู่สงสัยแต่พอฝึกพอทําใจเขาเป็นคนที่อะไร่ะคือ ไม่มีทิฏฐิมรณนะเท่าไหรอ่อ่ะเวลาสอนว่าโยมเป็นอันนี้นะโยมให้ทําแบบนี้แบบนี้นะเขาก็ทําได้ไวออขอประทานโอกาสดิฉันเป็นอย่างงี้ง น, นี้เขาก็จะเป็นผู้แก่ผู้เท่าอยู่แต่เขาก็อ่อนน้อมตําตัวอันนี้เป็นเป็นป้าของหมอหมอเปรมศักเพียรยุระแต่เขาชอบ พอฝึกสติเนี่ยนั่นแกก็เข้าใจเข้าใจก่อนแกกลับหน่อยนึงคือขยันจนวินาทีสุดท้ายเอาตั้งใจบอกเรา อ, อยากหารถกับเอ้ยนั่นเลยเดินจุ ก, กลมอีกหน่อยเด้อความเพียนขยันทำนนก็คือก็คือเข้าใจว่าวิธีออกจากจากที่คือปกติเขาจะจ้องความคิดตลอดเวลาเลยจ้อง แล้วมันก็นิ่งๆอยู่งั้นตลอดเวลาแล้วเวลาทาอันนี้มันก็อดไม่ได้ที่จะจิตมันจะหลุดเข้าไปจ้องนะมันอดไม่ได้มันก็เป็นอยู่แล้วตลอดเวลาเขาก็ถามว่าวิธีทาวิธีที่มันไม่ให้เข้าไปจ้องเนี่ยทํำยังไง่ะเพราะมันติดมามันหลายปีมันออกไม่เป็นนะแต่รู้ว่ายังมีกิเลสอยู่แต่มันไม่ออกอ่ะทํำยังไงแต่เขาก็เพิ่งเข้าใจเข้าใจคือทําได้ ก่อนจะกลับบ้านน้อยนึงแต่ก็คนถามว่ามันไม่ชำนาญ น, นะเนี่ยมันไม่ชำนาญแต่เขาว่าเขาเห็นละว่าว่าทำอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นนคือเข้าใจเลยว่าไปทำอยู่ที่บ้านก่อนมีโอกาสกขค่อยทำยดูเหมือนเหมือนจะเป็นคนเอาจริงเอาจังแหละคือจะติดตามติดตามการปฏิบัติของตัวเองอย่างจริงจัง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 มันเป็นเรื่องง่ายๆแล้วเขาก็เป็นมาทีแรกเขาเป็นคนเคร่งขรุมนะแต่ท้ายๆเขาจะเป็นค น, คนอารมณ์ดีหัวเราะอะไรไประมาณนะั้นนั้นเราทั้งหลายจิตใจก็จะเป็นแบบนั้นแหละนะให้มันใจที่มันปล่อยวางใจแบบง่ายๆนะอย่าไปยึดถืออะไรแต่อย่าไปปล่อยวางอะไรไม่ยึดถือไม่ปล่อยวาง ไม่รู้จะเอายังไงก็เอาแบบที่เอานั่นแหละเอาไปเถอะยังไงก็ได้เรยลึกรู้ไปแล้วความคิดมันหล่นหายไปความปรุงแต่งมันหล่นหายไปความรู้ตัวทุ่มพร้อมเกิดขึ้นมาไอความรู้ตัวทุ่พร้อมเกิดขึ้นมันเป็นมักนะเ น, นี่ยเป็นมักมักที่จะทาให้เกิดการทะลุออสังโยช น, นี่ ถะลุความรู้สึกนึกคิดในอดีตที่มันสะสมมาที่อยู่ในใจฝังรากลึกในใจเนี่ยนะทำไ ง, จ, งจึงจะออกได้ไอตัวเนี่ยมันลึกๆมาบางคนกลัวตัวบุ่งกลัวหนอนนะบางคนกลัวผีนะนั้นเวลาเราปาระลบความเพียร เวลาได้อารมณ์ปุ๊บอ่าจิตมันจะมีความรู้ตัวแต่อย่าเพิ่งดีใจเอ้รู้ตัวนี่คือเริ่มได้ได้มักแต่ยังไม่ได้ผลเย่ไหมสติที่มันเป็นอริยมรรคเนี่ยมันเริ่มมาละเนี่ยตัวรู้สึกตัวเนี่ยมันจะเริ่มเห็นความคิดละเริ่มดับความคิดได้ละทีเนี่ยแต่ถ้าเรายังไม่ได้สติแบบนั้นเนี่ยทำให้ไม่ได้สติซะก่อนสติภาวะอันเนี้ยให้มันเห็นชัดซะก่อน แต่มันจะเกิดขึ้นพร้อมกับการทำลายทำลายความง่วงทำลายความคิดเห็นจุดว่างจุดดับของความคิดของความปรุงแต่งของความง่วงในได้ขณะหนึ่งระดับหนึ่งก่อนแล้วทีนี้ไอความรู้ตัวทั่วพร้อมก็มามาแล้วแล้ก็สะสมและสังเกตแล้วที่เนี้ยบางคนสามารถเดินได้ต่อเนื่องเลยนอดไีไม่ไม่ไม่ชงงะงักไม่หลุดนะ แล้วก็ไม่ได้กำหนดรู้เลยทีนี้มันจะเป็นเองโดยอัตโนมัติสติอันเนี้ยมันระลึกรู้เองโดยอัตโนมัติไปไหนมาไหนเอาระลึกรู้ได้เห็นได้นะเข้าใจได้แล้วก็ประคองไปประคองไปประคองไปตัวรู้ตัวเห็นทำเนี่ยมันไม่ใช่เราเห็นนะไม่ใช่เราเห็นแต่เป็นสติมันทาหน้าที่เห็นของมัน เราเนี่ยมีหน้าที่สร้างสติอันนี้มีหน้าที่ระ ล, ลึกรู้รู้ตัวตอนนั้นเองส่วนการรู้การเห็นเนี่ยเป็นเรืของปัญญาสตินี่เป็นตัวรู้ปัญญาเนี่เป็นตัวเห็นตัวทำลายตัวตัวเห็นรู้ความคิดกับเห็นความคิดเนี่ยเหมือนกันก็ได้ไม่เหมือนกันก็ได้ถ้าเหมือนกัน ก็คือมันอยู่ในมรรคแต่ถ้าไม่เหมือนกันก็คือมันสามารถแยกความเป็นผลออกไปอ่ะรู้ว่ามันคิดเออมันคิดอะไรรู้ความคิดดาวความคิดไะไเห็นรู้เห็นรู้เห็นรู้เห็นแต่จังหวะหนึ่งเวลามันเห็นจริงๆคือมันจะเห็นแจ้งขึ้นมาเห็นแจ้งในความคิดและความคิดก็จะถูกทําลายไปหายไปคือความคิดนี่คือความคิดที่เป็นอวิชชาความคิดปรุงแต่งวันนี้ความคิดที่มันเป็นทุกข์ ที่มันมีความโลภโกรธหลงอยู่ในนั้นน่ะมันจะถูกทําลายออกไปมันจะหายไปอ่ะแล้วจิตจะกลับขึ้นสู่สภาวะปกติมันฉะนั้นในใจเราเนี่บางทีเราสะสมอะไรมาตั้งเยอะๆเนี่ยเราไม่รู้แต่พอมันทํางานนี่เรารู้ทนันทีโอ้อันนี้หลุดไปแล้วนะะราคาหลุดไปโทสะหลุดไปโมหะหายไปเราจะเห็นนะ่ะ ค, ความโกรธความโลภความหลงเนี่ย แต่สำคัญคือสภาวะตัวเฟืองจักที่ใช้เวียงอารมณ์นี่ออกไปนี่คือตัวสติสัมป ญ, ญญาที่เราฝึกนี่แหลปะประคองตัวรู้อันนี้ให้มันต่อเนื่องสำคัญก็คือทำเยอะๆทำมากๆทำแบบคนที่ที่อะไรอ่แบบไม่รู้นะอย่างฝรั่งเขามาปฏิบัติทำเนี่ยบอกให้รู้สึกตัวนะเขาฟังอะไรไม่ค่อยเป็นเหมือนเรา รู้สึกตัวเขาก็ไปทำรู้สึกตัวพอทำเยอะเขาจะเขาก็จะเป็นเกิดรู้แจ้งไวเพราะเขาไม่ค่อยรู้เรื่องนะแต่ถ้าเรานี่รู้เรื่องเยอะนี่ยากหน่อยมันรู้เรื่องเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งยากเพราะเวลาทำเนี่ยมันจะมีความความอยากได้อยากเป็นมันตั้งเป้าโอ้ทำนี้เราจะเป็นนั่นบางทีเป็นนี้อา้าวเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยมันไม่มีนะบางทีมันสงบ น, น้อย มันจะเกิดแล้วมั้งเนี่ยมึงคิดสงบแล้วเนี่ยกูจะเกิดดูแจ้งตอนนี้แหละมึงนี้เนี่ยคิดนะมันจะยากคนประเภทนี้ยนะต้องทําไปเรื่อยนั้นมันทําอยู่กระทั่งว่ามันมันเป็นธรรมชาติมันนั่นแหละเวลาเราปฏิบัติทำเขาจึงมีไงอยู่กับครูบาอาจารย์เนี่ยบางทีให้ทําจริงบางทีไม่ให้ทําจริงบางทีให้ทําการทํางานบางทีให้เก็บอารมณ์บางทีไม่เก็บอารมณ์เพราะอะไรเพราะเพราะเป็นกัน เจาะหาธรรมะในตัวคนนะคือแล้วแต่มันจะเป็นแล้วแต่มันจะมีแล้วแต่มันจะสะดุดกับอะไรสักอย่างในจังหวะไหนจังหวะหนึ่งอ่ะบางทีมันเอาจริงเอาจรงเกินไปก็ไม่เป็นนั้นสังเกตดูนะสังเกตดูแลเราก็จะเริ่มเห็นว่าเออคนนี้เริ่มเวลาเข้าใจเนี่ยเขาจะสงบ ยิ่งเข้าใจทธรรมะบางทีบางทีบางคนก็เป็นคนที่อะไรเป็นคนดือ้อนะเป็นคนดือ้อไปดูคําพูดของท่านหลวงพ่อพุทธทาสธรรมะออัตมางโง่อยู่ตั้งนานน่ะอัตมางโง่อยู่ตั้งนานตัวเองปฏิบัติธรรมมาก็นึกว่าคนรู้ธรรมเนี่ย สภาวะหน้าตาจะสดใสเพราะทุก์มันดับไป <Nice. S 1> ที่ไหนได้เข้าใจผิดท่ดนานมาเข้าใจผิดเพราะอะไรเพราะว่าพระอรหันต์หน้าเศร้าก็มีท่นว่าพระอรหันต์หน้าเศร้าก็มีพระพุทธเจ้าก็รับรองว่าพระอรหันต์หน้าเศร้าก็มีนะท่านก็เลยว่าท่านเนี่ยเป็นคนหนึ่งนะที่โง่งมาตั้งนานคิดว่าพระอรหันต์หน้าใส แต่ที่ไหนได้พระอรหันต์หน้าเศร้ากมหีอันนี้จําคําลวงพ่อพุทธทาสพูดนะท่านบางทีเวลาเราปฏิบัติทมเนี่ยนะเราขยันขยันทำเราก็จะเริ่มเห็นนายมอารมณ์เราตัดตัวนี้ออกได้ตัดตัวนี้ได้ปล่อยวางได้จิตจะเริ่มสดใสใจจะเริ่มเบิกบานขึ้นมานะจิตสดใสใจเบิกบานแจ่มใสขึ้นมาแจ่มใสขึ้นมาเราเริ่มเห็นเนะ่ยเห็นทุกข์ที่มันเกิดขึ้น ช่วงหนึ่งเราอาจจะเห็นความคิดนะเกิดขึ้นแล้วกระดับเป็นความง่วงเกิดขึ้นกระดับได้ความปรุงแต่งเกิดมาก็สลายออกไปนะเห็นบ่อยๆถ้าคนไหนที่เห็นความง่วงแล้วไม่ง่วงเห็นความคิดแล้วไม่คิดตามสามารถอยู่เฉยๆได้นะนักนแสดงว่าเขาเริ่มเห็นความเป็นอนิจจังในขันธ์หน้าได้เขา รู้จักอารมณ์ปรมัดระดับนึงอ้าวมัวมากระดับได้คิดมาก็ดับเป็นมันเกิดยังไงก็เริ่มเห็นเห็นแล้วก็ดับคือนิดเดียวแล้วกลับอยู่กับปัจปจุบันปัจจุบันอยู่ปัจจุบันนะก็คือมายาในขันเนี่ยไม่สามารถที่จะชักจูงเขาให้ตกขอบออกไปได้นะเขาอยู่กับปัจจุบันอยู่บ่อยๆทํำบ่อยเนะข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้ า, ขาจนทั้งว่าสติเนี่ย ที่มันตั้งมั่นอยู่ในจิตเนี่ยอกระพริบตาอย่างเงี้ยเนี่ยเนนียมันจะสัมผัสได้มันชัดเจนยกตัวว่ามันเหมือนเอามือกระทบกันหนีนะแล้วความรู้สึกนะสมาธิแค่กระพริบตามันกระทบกันอย่างหลังตับตับมันสั่นไปหมดตัวเลยนะเวลาสมาธิมันมากเนี่ยกระพริบตาเฉยเเนี่ยมันสั่นไปหมดตัวเนี่ อ๋าทำไมมันรุนแรงเวลาจกกับกระพริบตาก็ค่อยๆทําได้ค่อยๆได้รู้ตัวค่อยๆทำเพราะมันแรงมากมนาิน่านะเวลาฟังหลวงพ่อเทียนว่าพอรู้สึกตัวเท่านั้นเองนะมีวันหนึ่งกํลาลังเดินโยกมุ่งอยู่เหมือนคนมาผลักหลังเนี่ยผลักข้างจนเซล้มไปเอ้าใครผลักวะเนี่ยที่ไหนได้ความคิดนั่นแหละความคิดมันผลักแล้วท่านเซลม้มอา้าอะไรวะมองหาก็ไม่มีตัวตนน่ะ คือถ้าสติมันเข้มแข็งมันเป็นสมาธิเนี่ยสภาวะจิตที่มันกระทบเนี่ยมันจะเหมือนรุนแรงมากการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆเนี่ยเพราะว่าจิตมันตั้งมั่นมากะ่ะคือต้องมีภาวะแบบนั้นที่เกิดขึ้นในจิตมันที่สามารถเห็นการเกิดดับได้การเกิดดับของกิเลสนะเกิดดับของอุปาทานนะไม่ใช่เกิดดับของความคิดเกิดเกิดดับๆนะ ทีนี้ท่านเลยวองเอ้าโอ้มันไม่มีตัวความคิดนี่หว่าพอมาความคิดเอ้ากูจะตั้งหน้าตั้งตาดูมาที่มันคิดเนี่ยแล้วก็เลยมองข้ามลมหายไปหายใจสัหน่อยพอกระทบสว่างแจ้งอะไรี่โอ้เนี่ยที่สุดทุกข์อยู่ตรงนี้เลยประมาณนั้นจิตก็คือมีภาวะอาการเป็นแบบนั้นแหละที่เราจังหาเนี่ยนะก็เลยบอกว่า อย่าเพิ่งไปใส่ใจในการดูอย่างอื่นนะใส่ใจที่จะรู้สึกตัวเนี่ยนะทำให้มันต่อเนื่องให้มันชัดชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นนะความรู้สึกน้อคิดเราเนี่ยเราไปทำอะไรมามันมันเป็นธรรมดานะ่ะมันต้องใช้กรรมตารมาเข้าใจคาว่ากรรมปีไห น, นเนาะเดินจุกรมอยู่ประมาณสัก เที่ยงเที่งยงใบในี่แหละนะกรรมเก่าเนี่ยคือคือรู้ทันทีอ่ะนะเพราะว่าที่แ้กก็ตัดความคิดแต่ความคิดบางตัวมันตัดไม่ขาดนะเข้าใจรู้ประทานมันก็ยังมามันมันแวบมาเดีย๋ยวมันแวบมามแลบบ้วเอ๊ะทำไมมันตัดไม่ขาดเน่ะอะไรเนะ่ะแล้วเป็นความคิดเก่า พอทำไปทําไปอยู่ๆก็เข้าใจเรื่องกรรมขึ้นมาด้วยธรรมชาติเลยสว่างแจ้งโอ้รู้จักว่าอสภาพจิตที่เราเคยทํากรรมเนี่ยมันมาขอส่วนบุญนี่มันเป็นยังไงน่ะเวลาเราทํำวิปัสสนาเนี่ยความชั่วอะไรที่เราทำเยอะๆมันจะขึ้นมาความดีอะไรที่เราทําแล้วเราประทับใจมันก็จะมามันจะมาขอส่วนบุญเนี่ย แต่เราต้องสามารถเฉยกับมันได้ ม, มานทั้งหลายทั้งปูงที่มันขึ้นมาเฉยกับมันได้เฉยได้มันมาอย่างไรก็เฉยได้มาในภาพของความดีก็เฉยได้ภาพมาความชั่วก็เฉยได้นะบุพกรรมเก่าๆที่เราเคยอะไรขึ้นมามันเหมือนมาขอส่วนบุญมันอ้าปากรอจะกินเนะี่ยเราก็ต้องเฉยกับมันเฉยปล่อยมันปล่อยอยุ่ยเท่าว่า มันกินยังไงก็ไม่หมดเนะี่ยเราทำสร้างบา ร, รมีไปเรื่อยเลยลึกรู้บุญมากที่สุดคือเรื่องของมิปัสสนานะแต่ถ้ามันมาแล้วหลุดหายไปกับมันมันคิดอะไรก็นหลุดมันปรุงแต่งอะไรกับหายอย่างเงี้ยนะบุญเราหมดมันมาขอสมบุญที่อะไรหมดทุกทีหมดทุกทีหมดทีเนี่ยอันนี้ไม่ยืนยาวอันเนี้ยนะเดี๋ยวก็เอาอีกละคุณต้องทําเพื่อชดใช้กรรมเหมือนนี่นั้นคนปฏิบัติทำสิ้นกรรมเนี่ยคือ มันไม่รู้จะมาเอาอะไรมันไม่มีตัวอะไรจะมาเอาอ่ะกรรมเก่าที่เราเคยทํามาเนี่ยมันไม่มีภาวะที่จะมาเอามาขอส่วนบุญเราอีกแล้วมันเฉยอแล้วมันไม่มีอะไรคิดให้มันมาความคิดแบบนั้นแบบนี้มันก็ไม่มามันก็อยู่เฉยของใครของมันน่ะคือใค่ข้ามันมาจนมันอิ่มละบาปกรรมทั้งหลายทั้งปวงที่เราทําเนี่ยมันไม่เอาละมันเฉยคือกรรมเนี่ยมันไม่ทํางานมันก็เลยกลายเป็นกิจยาขันธรรมดาเลย มันเป็นธรรมชาติมาเลยที่เนี้ยปล่อยวางโดยธรรมชาติมันโอ้มันเป็นอย่างี้ข้องมันเนาะเนี้ยนะก็เลยเข้าใจโอ้เป็นีนี่ เ, เองอะหมดกรรมหมดเวรชีวิตนะมองเห็นแบบนั้นล้โอ้มันหมดกรรมหมดเวรก็หมดอย่างเงี้ยบาปกรรมก็คือจบกันไปไม่มีบาปมีกรรมกับคนนั้นคนนี้จิตมันวางได้เองเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้ไปตัดอะไรมันเลยนะ แต่การที่เฉยมันเนี่ยอยู่ๆทำไปทำมารู้สึกตัวไปเรื่อยๆมันถึงจังหวะหนึ่งมันก็รู้สึกว่าอื ม, มันไม่ทำอีแล้วมันไม่มาอีแล้วมันจุดตรงนั้นน่ะให้เราทั้งหลายปฏิบัตรริทำมมันจะมีสัญญาณบ่งบอกว่าเราจะรู้ไม่รู้เนี่ยมีสติชัดเจนมีสมาธิแล้วอีกหนึ่งก็คือ มันไม่ไหลไปกับความคิดไปแหละความคิดมันมันก็ไม่ไหลไปอยู่กับปัจจุบันเป็นอยู่ปัจจุบันดูกระทั่งว่าวมันมันไม่มานะ่ะทีแรกเราจะตัดความคิดตัดความคิดนะแต่พอถึงจังหวังหนึ่งเนี่ยตอนเล่นกับอารมณ์ที่มันเป็นอนุสัยอาสวะเนี่ยตัดไม่ขาดเลยตัดยังไงก็ไม่ขาดเพราะตัดไม่ขาดคือต้องเฉยกับมันได้เฉยอะเฉยดูมันมาอยูกระทั่งว่าว มันหมดวาระที่จะมาหมดว่าว่าหมดภาวะที่มันจะไหลออกมาที่มันจะเอาแล้วมันก็อยู่เฉยของมันเนี่ยเราไม่ได้ตัดมันแต่ถ้าคุมตัดคุมตัดความคิดต้องตัดตัดมันก็อเป็นอีกภาวะหนึ่งที่ที่เราอยู่ในช่วงของมรที่เบื้องต้นนี้จะทําแบบเนี้ยนี่มันไม่ถูกต้องตามประไตรปิฎกนันี่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นไม่นด้อนี่มันเลยจบพอดีเลยแม้ต่อมาอาร้องเนี่ยก็ยังเกิดปัญญาได้ถ้าถ่าเจ้าจิตมีปัญญา จิตเรามีธรรมเนี่ยมันจะดูออกใบไม้หล่นพวกเนี่ยอะไรเนี่ยมันเป็นปัญญาได้ท่านมองคือธรรมชาติมันมีอยู่แล้วเพียแต่ว่าสภาวะการรับรู้ธรรมะเนี่ยจิตเรานี่มันไม่ช่ำละให้มันปกติพอมันไม่ปกติมันเห็นอะไรมันก็ไม่ปกติแล้วเราส่วนมาเราคิดว่าธรรมะก็คือเราจะเอาจากสิ่งที่เรามีนี่ไปวัดข้างนอกว่าคือธรรมะคืออะนี่จริงๆถ้าเรามีกิเลสอยู่มันวัดข้างนอกก็เป็นกิเลสแหละเหมือนเหมือนนักวิชาการเดานักปฏิบัติการเนี่ย มันก็ใกล้เคียงมันเป็นหลักการอยู่แต่ว่ามันไม่ใช่ดังนั้นมันมีอย่างเดียวคือรู้สึกตัวเอาแต่คนใหม่ๆเนี่คุมตัดคุมตัดคุมตัดนะคุมตัดถูกไหมถูกก็ถูกผิดก็ผิดนะผิดก็ได้ถูกก็ได้คือมันแล้วแต่จังหวะมันอนะอันเนี้ยแต่ถ้าให้ปลอดภยัยหรือให้ดีที่สุดก็คือเอรู้สึกตัวเฉยๆรู้สึกไปเรื่อยๆ ประคอความรู้สึกตัวเนี่ยอย่าไปกลัวเลยว่ากลัวไม่เห็นความคิดคลตัดความคิดไม่ได้อะไรประมาณนะั้นนะพอถึงจังหวะมันมันหยุดของมันเองหรอกนะอนั้นสัญญาณที่เราจะให้รู้ทำก็ก็อย่างว่าแหละไม่มีอะไรมากขยันทำและลึกรู้อยู่ตลอดอีกหน่อยก็ สัญญาณตัวหนึ่งอย่างอย่างขยันปุ๊บ ก, ก็จะเกิดปีติอ่ะสั่ความคิดก็เกิดปีติเกิดสมาธิขึ้นมาไอตัวสมาธิตัวปีตินี่ก็เป็นสัญญาณที่ยายรู้ทำอันนั้นนะพอมีปีติปุ๊บความคิดก็เข้าไม่ค่อยได้แล้วทีเนี้ยมันโลง่งมันโปร่งแต่คุณต้องสามารถสลัดตัวปีติให้ได้ปัญหามันนะปีตินี่ต้องทิ้งให้เป็นละปีติปีติยาจะวิราขาละปีติละความพอใจ ในอารมณ์ที่เห็นที่รู้สามารถเฉยกับมันได้นะที่จะขึ้นอารมณ์ใหม่ได้จะทิ้งไปมันก็เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าจะรู้ทําขั้นต่อไปนะถ้าทิ้งได้ถ้าปล่อยได้เฉยได้ไปเรื่อยเรเรียนรู้ไปเรื่อเร ย, เ ย, เ ย, เ ย, เยมันก็จะเป็นบันไดของอารมณ์นั้นอารมณ์นี้เป็นบันไดของอารมณ์นี้ไปเรื่อยเรหลวงพ่อเที ย, ย, ทยทนท่านบอกบางจังหวะเนี่ยอาศัย อย่างอารมณ์รูปนามเนี่ยเราปฏิบัติทำรู้รูปรู้นามรูปนามนะคือการที่สติสามารถรละลึกรู้อยู่กับกายได้ต่อเนื่องแต่ว่าอย่างเรารู้ง่าสติอยู่กายได้ยังก็อยู่อยู่แต่ มันมันไม่มีความรู้สึกว่ามันต่างเก่าล่วงภาวะเดิมเน่ยมันไม่มีความแจ้งแจ้งขึ้นมาว่าโอ้อันนี้แหละใช่เลยมันไม่มีภาวะแบบเนี้ยเราต้องทำเยอทั้งมันเป็นภาวะแบบนั้นแล้วมันอยู่ของมันน่ะมันเลยลึกรู้โอ้มันเป็นดี้รูปนามเป็นอย่างนี้แล้วกายานุปัสสนาการเลยลึกรู้กายที่มันเป็นเองโดยอัตโนมัติมันเป็นอย่างนี้นะเนี่ยเลยลึกรู้เนี่ยตัวเลยลึกรู้ตัวสติเนี่ยอยู่กับปัจจุบันมันเป็นอย่างนี้นะเนี่ยมันต่อเนื่อง ทีนี้พอมันเป็นนีปุ๊บก็อืมถ้ามันไม่ติดจินตยานนะส่วนมากมันจะคิดนะหลังจากนั้นมันก็คิดบางคนถ้ามันเป็นนักวิชาการมันจะคิดหาธรรมะเอาข้อนั้นมาตีเอาข้อนี้มาเปรียบเทียบอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นนี้เป็นตะ ก, กะเป็นอะไรไปเ น, นี่ยนะมันก็จะไหลออกไปนอกเรื่องซะไม่ให้มันไหลไปนะแต่บางทีมันก็จะเกิด เกิดดีใจเกิดภูมิใจขึ้นมาเพราะว่ามันจะเกิดอาการอย่างมันเกิดความสว่างมันเป็นโอภาสโอภาษคือความสว่างสว่างแจ้งมาแจ้งจากภายในแต่ภายนอกมันที่มองไปไหนมันก็สว่างไปหมดนะคือมันสว่างขึ้นมาอาการนี่แล้วมันก็เกิดความอย่างรู้รู้อารมณ์รู้ความคิดรู้ข้อธรรมะอันนั้นอันนี้ไปอย่างเงี้ยทีนี้วิธีทํา แก้ไขคือให้ทำช้าๆทำช้าๆ <th> ่วงมันไว้ลงมาเตียนทำไมเฮ็ดบ้านยนโยนเฮ็ดบ้านยนโยนๆยนโนคือทำช้าๆนะนิ่มๆบางคนได้อารมณ์เลุยแหลกเลยทึงทีเพลินสนุกจังเดินก็ก้าวขากระเทีไม่ทันบางทีเนาะโอ้ยมันไปแล้วมันไปแล้วนะที่วัดส่งนรรัด มีคนได้จับกันไว้มันพิ่งไม่หยุดไม่ย่อนโอ้ยทำไมมันไม่หยุดเนมันจะทะลุกอไผ่อบข้างนอกแล้วนะได้จับกันโอ้ยมันเป็นอะไรนะโดยเฉพาะคนที่ที่ศรัทธาสูงสูงเนี่ยเวลาเดินเครื่องมันติดแล้วเนี่ยมันสลัดอารมณ์มันั้นออกไม่เป็นนะคืออารมณ์แต่และตัวนี่มันส่งผ่านส่งผ่านส่งผ่านเหมือนวิ่งเจ็ดผัดเนี่ย เวลาวิ่งผัดเนี่ยส่งไม้ต่อแล้วส่งไม้ต่อส่งไม้ต่อทีนี้มันไม่ส่งอ่ะบางทีมันวิ่งเลยไปก็ผิดกติกาด็ดผิดกติกาคือติดอารมณ์วิปัสสนูในปัญหานะเพราะว่าถึงจังหวะหนึ่งก็ส่งถึงจังหวะหนึ่งก็หนึ่งส่งศรัทธาวิญญาสติสมาธิปัญญาอะไรประมาณวิสุทธิเจ็ดะหลักของวิสุทธิเจ็ดแต่ละสภาวะเนี่ยมันจะส่งส่งต่อส่งต่อนะพอไปถึงเช่นหนึ่งจางอย่างเกิดปีติอย่างเงี้ย พอไปถึงหนึ่งก็ต้องละปิติเกิดปสัสสัตทิสงบน่่ดงิงถึงจุดวันนี้ต้องทิ้งอะไรปะมาณ น, นี่ยแต่มันไม่อ่ะคนเราโอ้ยมันไม่เคยเห็นเนาะมันก็ดีออกดีใจมันก็อยากอยู่นะจะให้ทิ้งเนี่ยโอ้ยมันไม่ทิ้งหรอกมันยากแต่ถ้าคุณไม่ทิ้งคุณก็ไม่รู้ธรรมะไอ้สูงต่อไปอปัญหา นั่นมันมั น, ม, นมันเทคนิคไอเรื่องพวกนี้เนี่ยมันจึงต้องบวกกับคุณธรรมมีฮิริมีโอดตัปะมีจ่าขะมีอะไรเนี่ยมันมากมายหลากหลายนะฮะแต่ส่วนมากมันจะเกิดกับคนที่รู้ธรรมะบ้างแล้วน้อ ย, อยปัญหาพวกนี้ยนะมันจะรู้ทันทีไปเจอคนโอ้คนนี้ติดอันนี้เนาะคนนี้ติดอันนี้นะแต่จะช่วยก็ช่วยยากนะไม่ใช่ง่ายนะไม่ใช่ง่ายง่ายนะรู้ธรรมะแล้วกลับกลายเป็นจริงจัง คือจะต้องเอาให้ได้กูคเคยเห็นกูคเคยเป็นกูเจะต้องลุยแหลกบางทีเนี่ยนะบางคนก็กลับกลายเป็นไม่จริงไม่จังคนรู้แล้วอะไรประมาณเนี้นะฮันแก้ไขให้เขากลับมาสู่ในเส้นทางเนี่ยมันจะยากมันไม่ใช่ง่ายนะทาให้รู้ธรรมะนี่ได้แต่ว่าทําให้ทิ้งธรรมะเพื่อให้ยกระดับจิตสูงขึ้นไปอีกเนี่ยยากยากเพราะว่าตัวตนเขาจะเกิดมาพร้อมนั่นถือว่า เวลาเกิดจินตยานท่าให้ทำอะไรล่ะให้เก็บอารมณ์ให้อยู่กับรูปนามเยอะๆนะเยอะๆอันนี้ถ้าเกิดอารมณ์วิปลาสอารมณ์วิปลาสคื อ, อความสำคัญมตนหมายในสัญญาผิดๆในความคิดความเห็นนี่ผิดๆท่านทำอะไรท่านให้ทวนอารมณ์นะทวนอารมณ์ทวนอารมณ์เวลามันแจ้งมันสว่างมัน มันแจม่มใสเห็นภาวะการเกิดดับอะไรแล้วเนี่ยมันจะสงบเกินไปอ่ะเขาให้ทบทวนทวนอารมณ์ที่ผ่านมาจนกระทึงภาวะอันนี้เราเฝ้าเลยลึกรู้ดูโอ้มันเป็นอย่างนี้นะพอมาถึงปุ๊บโอ้จิตเราหลงจมไปกับอันนั้นนะ่ะพอมาถึงอันนีมันโดดลงไปอย่างนั้นเนะี่ยเราก็ไม่โดดทีเนี่ยนะอยู่ข้างบนดูเฉยๆโอ้พอมาถึงอันแทนที่มันจะตกลงไปในในอารมณ์ที่มันสงบไม่ติดเห็นเฉยๆ จิตมันก็จะถอนโอมันมาอย่างนี้นะมันก็เข้าใจอ่ะแล้วมันก็ไม่ลงไปโดยธรรมชาติมันฉะนั้นเราทั้งหลายนะปฏิบัติธรรมเนี่ยสิ่งที่ทาเนี่ยมันมันไม่ต่างจากสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านส่งสอนนะแต่อันนี้ยังจะถือว่ามันง่ายโดยสัมปาคือคล้ายๆว่าคาสอนที่มัน มันยังอึมครึมอยู่คำสอนที่ยังยังสงสัยในอากาักขระในพยัญชนะในรูปแบบอะไรอยู่เนี่ยวิธีอันนี้มันจะง่ายคือสร้างสติระลึกรู้ท่านนั่นเองรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจนึกคิดไม่ต้องหลับตาทำเห็นความคิดอยู่บ่อยๆตัดทิ้งตัดอารมณ์อยู่บ่อยๆแล้วเราก็เริ่มเห็นเออเราตัดอารมณ์ได้ปล่อยวางอารมณเป็นโอ้เริ่มเห็นแล้วนะเนี่ย การเห็นแบบนี้มันเป็นเป็นสัญญาณแบบหนึ่งที่ที่จะทําให้เราตั้งใจทําเพื่อให้เกิดความก้าหน้าเพราะเรารู้ว่าทุกจริงจริงมันอยู่ตรงเนี้ยเพราะสติเราอ่อนไงคนเราเป็นทุกเพราะอะไรถามบางคนดูว่าเป็นทุกเพราะคิดนะแต่บางคนเขาก็ตอบว่าเป็นทุกเพราะเพราะขาดสติเพราะขาดสตินี่คำตอบมันจะดีกว่านี้แต่บางคนจ้องไปที่ความคิดนั้น ขาดสติแต่เราก็รู้ว่าคนนี้ต่อบคนนี้มีจิตเขามุ่งอะไรเป็นยังไงก็ทําใหม่แล้วลึกรู้ใหม่กลับมาใหม่รู้ใหม่เออมันเป็นทุกวันเราเริ่มสังเกตเห็นนเนี่ยสติแบบนี้นี่มันไปได้ง่ายและมันเป็นอิสระนะแล้วลึกรู้ก็ได้ไหวเวลายะระยะเวลาก็ใกล้ๆทําได้เห็นง่ายเข้าใจง่ายแต่ว่า มันก็ก็อย่างว่านะ่ะจิตเราเนี่ยต้องมีมีคุณธรรมมีคุณสมบัติที่ที่ว่ามามันถึงจะง่ายให้ถ้างั้นก็เรียกว่ายัางไงนะมันก็ไปติดอยู่ตร ง, ตรงนั้นตรงนี้เหมือนเดิมนะแต่ในเรื่องคุณธรรมเบื้องต้นอย่างเรื่องของอารมณ์รูปนามเนี่ยก็เป็นอะไร น, นะตรงวัตทีนท่านเรียกว่าปฐมเบลึก ปฐมมาเลิกยังไม่เป็นปฐมฌานนะปฐมมาเลิกคือมันเข้าใจได้โดยที่ไม่ยากอ่ะเนี่ยอารมณ์รูปนามเนี่ยมันทะลุมาได้ไง่ายแต่ว่ามันยังไม่เป็นวิปัสนาแท้ น, นี่รูปนามเนี่ยเป็นไว้แต่ว่ามันมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันสามารถไปทําลายตัวตัวนั้นทนะี่เกิดปุพเพนิวาสารวิญญาณเกิดการสํารอกอดีตได้เนี่ยนั่นแหละจะเป็นวิปัสนาขึ้นมาเป็นญาณที่หนึ่งปรากฏขึ้นมาหลังจากนั้นก็คือ สัญญาณการรู้ทำบ่งบอกแล้วก็เดินหน้าเลยที่นี่ก็จะเห็นได้โดยไม่ยากอารมณ์ต่อไปนะนะก็วันนี้ก็พูดบางเงี้ยบางมุมที่คิดว่าเราอพอจะสังเกตเห็นนะว่าอะไรเป็นอะไรอยู่ประมาณไหนก็เลยอยากให้มีความมั่นใจนะรับรองถ้าตั้งใจปฏิบัติธรรมเนี่ยสติตัวเดียวเท่านั้นนะแก้ปัญหาชีวิตได้ทั้งหมด อนุโมทนานะเต็มตัว